เธอมีธรรมแก่กาหารเนี่ยก็เป็นธรรมนะแก่กาหารได้เจอก็พิจารณาก็รู้ทําได้นะถ้าเรารู้ถึงจะมาใครไม่มี การนอนทางด้วยนี่เป็นภาระของกายไปนั่นแหละนี่หาอยู่หากินมี 10% นะเฉพาะกับหาหาทั้งหมดหามาบำรุงกายนี่นี่ มันติลกังปัจจายมยอยามันไม่ให้เสียมันทอไว้อ่ะหาดูก็มันทอหานิพพานทอปวดหนักปวดเบาหิวร้อน ไอ้นอกเยื้อเพิ่งพาสายได้แน่คันเพื่อจะเอาธาตุคันนี่ไปสร้างบารมีเอ่อความหมายของการถ้าหาๆไม่ 002 ความโรคความกวดความลมที่มีอยู่ๆ เพราะไม่มีทางเพราะไม่มีโอกาสที่จะ มันมี 2 ทางที่จะเห็นทางสอดออกจากโชคโลโกมืดอ่าโลโกแปล ทำตัวได้หลายรูปคนนึงแล้วสวัสดียังไงอ่ะเกิดขึ้นมาก็ว่าดีองค์ดี 20 ปี 25 ปีนะต้องทุกข์ทุ้มเถเสียเงินที่ต้องออกใจแต่อะไรนะอันเนี้ยมันถ้าเห็นพระพุทธเจ้าน่ะโอ้ไม่เป็นพละ ถ้าลูกแก้งเราก็ไม่เป็นภาระเป็นธรรมชาติมีอะไรอยากจะให้เข้าจุดให้เข้าเอารู้จุดมองอะไรเห็น <c oughs> <c oughs> <c oughs> คำจัดเวทนาเก่านี่สันวิธาปาติจิตนามันเผาเวทนาใหม่ไม่ใช่ว่าอยากอื่นนะ มันเฒ่าไว้ทั้งหมดสมัยที่สุขได้เอ้าเนี่ยถ้าหากว่าพิจารณานี่ก็เป็นธรรมเป็นสมาริธิ แต่ว่าตัวซื่อมันมันไม่ใช่ธรรมหรอกมันเป็นเงาของธรรมเรียกว่าอ่านแล้วก็ตะคุปเงาแล้ว